วันสุกคนนั้นจะน้อยว่านี้เมื่อก่อนเลยว่าสมาทิมัวจะถึงขอมาเมืองหลวเทวันเดียวคนคน้อยไปเดือนแถมวันสุขไล้เดวันนี้เป็นวันแถมนะให้ไม่เคยปฏิบัติเลยใช่ไห เรียมาทำบุญอย่างเดียวไม่ได้ภาวนามไม่ได้ปฏิบัติเยอนะเมื่อนายกลาหาญหน่นะส่วนใหญ่ไปนั่งปฏิบัติธรรมาของพระรุทธเจ้านะัน้นเราไม่ได้ปฏิบัติเราได้ประโยชน์ น, น, น้อยธรรมาของท่านเป็นของดีของวิเศษแต่จะดีใชจะิเศษดีอยู่ที่ท่านยังไม่มาดีที่เรา เราน้องปฏิบัติคุณงามความดีเท่าไรถึงจะเข้าไอยู่ในใจเราได้การที่เรามาฝึกฝนปฏิบัติธรรมเลยนะี่เรื่องในใจของเาเข้าถึงธรรมะไม่ใช่เรื่ต้องการไปอยู่พีเศษพิสดารอะไรหรอกใจเรามีธรรมะในใจมีความสุขความสบายมีความสงบ เมืใจไม่มีธรรมะใจร้อนไม่มีความสุขไ ม, มสไม่มีความสามาบายไม่มีความสงบธรรมะขอโพระทธจะาไม่ใช่แค่เรื่องทำทานอย่างบางคนเข้าวัดมาทําบุญทาําทานอะไรที่ีเหมือนกันแต่ว่าดีดีนิดหน่อยของดีมากกว่าการทำบุญทาําทานยังมีอีกบางคนก็ามารักษาศีลมาเรียน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 กนั่งสมาธิใหจิตสงบเดียกว่าสายดื้อๆนะที่ก็นนะามาเปิดสอนันสอนอคนฝรั่งวกนี้สในสอนสมาธิแล้วคนนี้อยากได้ความสุขความสงกในชีวิตที่มหันนั่งสมาธิธรรมตดีไหมนั่งสมาธิดีเหมือนกันที่ยังไม่ดีที่สุดหรอกของดีในศาสนาพุทธมีมากกว่นี้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 เมื่อคนที่ผ่านจิตใจเข้าถึงความบริสุทธ์เระก็ได้เจ้าท่านยำหนึ่บุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาคําว่าปัญญาวิสธรปัญญาไม่ใช่ความฉลาดอยา่างลบๆมันเป็นความรู้ความเข้าใจความเป็นจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราและเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าตัวเราสิ่งที่เรียกว่าตัวเราประกอบด้วยร่างกายจิตใจเนี่ย เข้าใจความจริงของร่างกายเข้าใจความจริงของจิตใจเข้าใจว่าอย่างไรเข้าใจว่าร่างกายจิตใจนี้ไม่เทียงร่างกายจิตใจนี้มันถูกบีมคั้นให้แตกสลายอยู่ตลอดเวลาร่างกายจิตใจนี้มีเหตุเกาเกิดผู้เหตุก็ดำบังคับไม่ได้สิ่งทั้งหลายทั้งวงเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสร้งางนี่เรียกว่านานธรร ปัญญาอย่างนี้เกิดขึ้นมันจะเกิดกระบวนการทันจิตที่แปลตระลาดมาหาศาลที่สุดหนึ่ก็คือการที่จิตจะปล่อยวางความถือมั่นในกายในใจนี้ได้หรือเมื่อไรมันมีปัญญายเห็นความจริงว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเจตจะหมดความึเถือร่างกา ย, ก ร, ร, ากาย ร, ร่างกายเป็นทุกข์เจตจะไปหอนทําไมทุกวันนี้เราไม่เคยเห็นเลอว่าร่างกายเราเป็นตัวทุกข์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 ศาสตร์อันนี้เขาคิดแค่ว่ามีความอยากเกิดขึ้นยังไม่ทุกต้องไม่สนอยางก่อนถึงจะทุกถ้าพวกเราเอาวนาเป็นแล้วเราจะรู้เลยว่าแค่มีความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดแล้วเวลามีความอยากเกิดขึ้นสบายใจไม้มไม่สบายใจมันทีก็รุนใช่ไหมจะได้หรือจะไม่ได้ไม่เป็นคนสุขหรอกทันทีที่ความอยากเกิดความทุกข์ก็เกิดแล้ว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 เราหายใจเข้าสิอย่าห้ใจออกนะเราหายใจเข้าให้หนานที่สุดที่จะนานได้สบายไนหะ้ไม่สบายหายใจออกสิอย่าห้ใจเข้านะหายใจออกไปเรื่อยๆดูสิว่าสุขหรือถุกข์มีควมสุขไหมทำไมเราต้องหายใจเข้าเพเราแกนทูกของการหายใจออก ทำไมเราต้องหายใจหออกเพาเราแก้ทุกของการหายใจเขา้าดังนั้นจริงๆแล้วาหายใจเ ข, าข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์ถ้าหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์ก็เรียกว่าเรามีควาทุกข์อยในร่างกายเนี่ยทุกข์ลงหายใจเ ข, าข้าออกไม่เห็นจะสุขตรงไหนเลยทาไมเราต้องเปลี่ยนวิทยาบท น, น, นั่งนานๆแล้วทนไม่ได้ต้องไปเดินต้องไปยืนหรือต้องไปนอนอีก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 เมื่อเราครอยฝึกค่อยดูไปแล้ความรักความห่วงแหนในร่างกายในช้ะนอยลงน้อยลงจึงจุดหนึ่งนะถ้าเราบรรลุธรรมะในขั้นที่เรียกว่าพราะอนาคามีความรักความห่วงแหนความยึดถือในร่างกายนี้จะหมดสิ้นไปเมื่อเราหมดความรักใคร้ายห่วงแหนในร่างกายแลย้วร่างกายเจ็บเจ็บร่างกายเจ็บใครเจ็บร่างกายเจ็บนะั้นไม่ใช่เราเจ็บอีก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 บางศาสนาเขาก็สนให้มีความรักที่ได้มีรักที่ั่นมีทุกข์เรารักอะไรมากที่สุดเรารักตัวเองมากที่สุดงั้นอย่างสาวๆนะถ้าใครมาบอกเราว่ารักเราที่สุดในโลกเนี่ยเขาโกหกนะเพราะสิ่งที่เขารักที่สุดคือตัวของเขาเองตอนนั้นเป็นที่รักที่สุดเลยแต่ว่าเรารักร่างกายแม่ร่างกายแก่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 ปัญญาอย่างนี้ยังสูงก้กิเลสไม่ได้ไม่ทําให้หมดความรักกายรักใจได้จริงถึงเราไปหารพระไตรปิฎกนท่านสอนว่าร่างกายไม่ดีนะเป็นถูงหนังใบหนึ่งนะบรรจุของสง โ, โ, โรคร่งไว้ร่างกายนี่เป็นถูงหนังใบหนึ่งมีรูรัว่วใหญ่ๆอยู่เก้า <c oughs> รูรูรั่วเล็กๆนับไม่ท่วนมีของสง โ, โ, โรคร่งไหลออกมาเป็นเนิ่ามว่าเราอาหารเราได้ยินนะี่ถ้ า, าเราสุดปล่อยวางมันไม่ปล่อยหอก ก็อะไรปัญญาที่ทำมาพูดมันเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ปัญญาของเรายังล้างกิเลสไม่ได้งั้นความรู้ที่เกิดจากการอา่านการฟังมันเป็นความรู้ของคนอื่นสู้กิเลสไม่ได้จริง<ม>เรียกว่าสุตตามยะปัญญาปัญญาจากการเรียนรู้ของคนอื่น<ม>ปัญญาอีกชนิดหนึ่ ป, นปัญญาที่เกิดจากการคิดวอเคราะห์วเองเรียกว่าจิตตามยายะปัญญา ปัญญาจะ ก, การคิดกันวิเคราะห์ตัวเองก็เอามาสู้กิเลสไม่ได้จริงเพราะเรานั่งคิดคิดที่ไหนก็จะมีแมสมีอาคติคิดที่ไหนกร เ, รเรข้าข้างตัวเองทุงงกที่เดี๋ยวพวกเราดูแม้ว่าวันหนึ่เราจะต้องตายดูไหมอันนี้เชื่อไหมว่าจะตายวันนี้เป็นไปได้ไหมว่าจะตายวันนี้จะไม่เชื่อคิดเราตา้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 เรื่องของตัวเองไม่รู้หรอกจะรู้หมดเลยนะเรื่องของตัวเองใครทำอะไรที่ไหนเมไหรรู้หมดเลยเพื่อพของเราอย่างเราไมู่่้หร่อยวเรานั่นเต่ายเวลาที่เราจะลุกขึ้นมายืนเนี่ยระบเคื่องไหวส่วนในของร่างกายกา่อนเคืนะ่อขาเนี่ยแคื่อใจนะเด้ื่องเดาอยู่ไหมอะไรก็เราไม่เคยรู้สึกใ น, ในกายเราไม่รู้หรอกว่าอะไรเคลื่อนไหวก่ เรื่องของตัวเองเราไม่เคยเรียนรู้เลยแต่ไป น, นี้น่าให้ความสนใจที่จะเรียนรู้ในใจใน ใ, นใจของตัวเอให้มากเลยสัจรูของการที่จะรู้กายรู้ใจได้กคือความใจลอยรู้จักใจลอยไหมเม่อเหม่อไอเกตุไม่เวลาเราเหม่อนะเราจคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ใช่ไหมเวลาเมมมหม่อเหม่อเวลาเราคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เรารู้เรื่องราวที่คิด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 เดี๋ยวพอเราเว้ยุ๊บเราก็ค่อยหยับันพุ๊เราก็าเก่ามันไม่ทด้เห็นเลยวนะมันเป็นตัวทุกข์ยามมีสติอยู่ในร่างกายบ่อยๆยิ่ไปอะไรจะเห็นมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เกิดทั้งวันเลยนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์เลยกินก็ทุกข์นะทำอไรก็ทุกข์หมดเย่เฝ้าดูเฝ้าดูมีสติรู้สึกตัวม่เห็นร่งางกายมันทงานไปเรื่อยๆเรื่องของง่ายๆ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 ใจเราพลิกไปพลิกมาเดี๋ยวก็เป็นกุศลนะเดี๋ยก็เป็นอกุศลหรือบางคนเราตั้งใจจะไว้พระ่วนมนตูทันก่อนมอนบางวันก็ขยันจวสวดได้นะเพราะมันขี้เกียจติดไว้ก่อนให้เครติดไว้ก่อนล้วอสารภาพนะ mm. แล้วจะเกิดอะไรให้พราช่วยเนาะเดี๋ยพรกบอกเหดนไม่ต่อิยม เวลาที่เราที่จะทําความดีบางทีก็ เ, เปลี่ยนใจใช่ไหมทาไปไม่ตลอดบางทีก็ เ, เลิกไม่เด็ดเดี่ยวอย่างเช่นจะมาฟังหลวงพ่อปโมทเท็งโอ้นานจะม า, น า, นนะชาเชสัอทีเนี่ยนาะชาติยังเพิ่งมาทีเนี่ยนานถึงมาสัทีตั้งใจจะมาฟังคับเ ม, มื่อมารถติดเอาอีกปาก บ, บ้าน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 ความหิวโวยความดีหรือความเกลียดชังความชั่วก็จะบะงมทุกคราที่เกิดข้าวบวก้าวลบขึ้นในใจเราใจจะเกิดการดิ้นรนใจจะไม่เห็ไม่มันจะมีแรงตัดกันขึ้นนัมีข่าวบวกตักันก็ได้แนละมีข้ารวมาทํากันได้ใจจะดิน้นทุกคราวที่ใจดินด้นรนความทุกข์ทางใจจะเกิดขึ้นมีภาระทังใจจะเกิดขึ้น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 ก็เลยอมรับความจริงไม่ได้ว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งหน้าที่การงานขุกของชั่วคราวเลยอยากให้มันถาวรแล้วเสร็จแล้วมันทนไม่ได้มันไม่ถาวรใจยอมรับความจริงตัวนี้ไม่ได้ใจทุกข์มาทนไม่ได้หนักตายถ้าเรามามีสตินะรู้สึกอยู่ในจิตใจของเราบ่อยๆหรือรู้สึกในร่างกายบ่อยๆจะเห็นว่ามีนเปของชั่วคราว ร่างกายก็มีแต่ทุกข์จิตจใจก็มีแต่ของชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราควาราอะไรๆที่เกิดขึ้นในใจเรานี่ชั่วคราวทั้งหมดเนั่นถึงจุดหนึ่ง น, นะจิตมันจะยอมรับได้ความสุขเกิดขึ้นนะจิตจะไม่หลงยินดีความสุกขเกิดขึ้นจิตจะไม่หลงยินร้ายกุศลเกิดขึ้นจิตก็ไม่หลงยินดีนะนอกกุศลงเกิดขึ้นจิตก็นะตไม่ได้หลงยินร้มันจะคำว่าสักว่ารู้สักว่าเห็นมังจะเกิดขึ้น เมื่อใจเปนสตวก็รู้ว่าเห็นจะยอมรับสภาวะที่กำลังปรากฏต่อหน้าต่อตาได้เมื่อใจยอมรับสภาวะที่กาลังปรากฏต่อหน้าต่อตาได้นะสภาวะนั้นจะหายไปใจก็ไม่หวั่นไหวสภาวะนั้นใจตั้งอยู่ใจก็ไม่หวั่นไหวใจไดเข้าสู่ความเป็นกล า, นะางไม่แยแสกิ่งความทุกข์ทางใจนี่ยเกิดจากเรายอมรับสิ่งซึ่งเป็นธรรมชาติธรรมดาที่กำลังปรากฏอยู่ตรงนี้ไม่ได้ อย่าเราอยอมรับไม่ได้ว่าาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราอยอมรับไม่ได้ว่าวันหนึ่งนะเราจะต้องทรัดย์ลากจากคนที่เรารักเราอยอมรับไม่ได้ว่าในชีวิตเราเนี่ยต้องเจอคนที่เกลียดบ้าเราอยอมรับไม่ได้ว่าความอยากทั้งหลายเนี่ยบางทีผสมผังบางทีก็ต้องผิดหวังบ้างตรงที่อยอมรับไม่ได้นะใจเรามันทุกข์มาก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 ถ้าเรายอมรับความจริงที่กรลังปรากฏต่อหน้าต่อตาได้ความทุกข์กจะหายไม่เยอะเยถ้าเรายอมรับความจริงที่ปรากฏต่อหน้าต่อตาไม่ได้ความทุกข์จะเพิ่มเป็นเยเลยความจริงที่ปรากฏต่อหน้าต่อตาเราต้องแก้ยพ่ทุกวันความจริงให้ยอมรับได้จะไม่ทุกข์องความแก่ความจริงที่ปรากฏขึ้นก็คือเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา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 ไปเกี่ยวขึนมาเพราเขาไม่อยากใหัทิ้งอยากให้มันอยู่กับเรานานๆมีผู้หญิงหลายคนนะสามีทิ้งไปแล้วสามีทิ้งนั่นเจ็บใจมากอยาให้กลับมาพลากลับมาเนี่ยด่าทุกพันเลยก็ชิดซ้ำอยู่นั่นและด่าดาสุดท้ายมันต้นม่แันีไม่หยิบเลก็ยอรับไม่ได้อยา่างสตีสามี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 ไม่มีอยู่มันตลอดไม่มีฝรั่งนะั่นรู้มั น, มนไครนะส่วนลูกเศรีรักใช่ไของเขาจบมัธยมไปแล้วส่วนลูกไทยนะจมันมีหลานนั้นยังขอตังค์พ่อแม่เลยมันจริงเมืม่อนเ่พลังล้งลาให้ดูอยากให้มันต้ไม่ไปแต่สนใจนะทุกคนรลึกนะใน้องนี้ใรที่พ่อแม่ไปเลยนะครับ ตายหนึ่งคนสองคนได้แรกๆเนี่ยตอนแรกยอมรับไม่ได้เสียใจใช่ไหมเราตายไปหลายๆทียอมรับได้ไม่เสียใจเฉยๆแค่ชิดถึงแตไม่เสียใจเรื่องพ่ออะไรก็ยอมลับได้ถ้ายอมรับได้นะทุกสงที่อยางที่ปรากฏขึ้นเราจะไม่ถูกขหรอกยอมรับไม่ได้ก็ถูก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 ทุกครั้ที่หน้าตาเราเป็นนอิจฉาชั่ๆชแต่ว่าทำไมเวลาเรามีเรื่องกคนอื่นเรารู้สึกไหมว่าเราเป็นไม่เองนั่นเองคนใหญ่งยงรู้สึกอย่างนั้นคนอื่นดนัอิจฉาคนเป็นผู้ร้ายทำไมเราคิดอย่างนั้นเราเป็นศูนย์กลางเป็นศูนย์กลางมันต้ทนทางหายอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจกักรวาลก็ได้ ถ้ามาเรียนรู้จนกะทั่งตัวกลางนี้เราไม่ยึดนะจะไม่ยึดอะไรในจักรวาลอยูคือถ้าไม่ยึดในใจในใจก็จะไม่มีสิ่งใดให้ยึดถืออีกถ้าไม่ได้ยึดถือในสิ่งใดเราจะไม่ทูกข์กับสิ่งนั้นถ้าเรารักใคร่ยึดถือในสิ่งใดเราจะทูกข์กับสิ่งนั้นรักก่ยก็ทูกข์กับก่รักใจกระทุกับใจไปหักนะฟังวีดีโอไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรไปฟังซีดีด้วย ไอ้หลวนไฟเสียงมีอะไรให้ไปดูในอัมมัดคอมอัมัดคอมมีมุติตัดเน็กมีไฟเสียงมีปีปีโนมีอะไรให้ดูเยอะแยในเมืองไทยตอนนี้สี่ีิบหกตีตลาดเดี๋ยวพวกค่าเปลีเท <n S 1> ่าไหร่สู้หลวงพ่อไม่ได้ห คนฟาร์ซีทมาทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมีเยอะมากเลยบางคนต้องขึ้นรถเสียอเปิดล่างฝั่งบ้าไม่ฟังบ้ า, าเปิดไม่เด็กนั่งรถไปด้วยมึนภาวนาเป็นนะข้าแม่เปิดไม่ น, นด้ื่วงว่าจะฝึปฏิบัติตามหมไอโซแชอย่างนี้ลูกนั่งรถไปได้มันโู่นเป็นอย่างพ่อแม่โกรธจริงหรือเด็กนก็บอกแม่นะแม่โกรธแล้ว ตัวให้รู้ว่าปวดแม่มันแสบจริงถ้าแม่ฉลาดบางเวลามันอยากกินขนมอยากให้รู้ว่าอยากสุ ด, ทดแท้เงินพอจะเปลี่ยนกันทั้งบนะ้านขนานั้นยอะเตอนนี้ในเมืองไทยที่พอจะเปลี่นเงินนำเมตรทุ่มเลเดิมหากปฏิบัติธรรมเราแต่ย่างสองทิ้งสองทิ้งได้แต่ค ว, ว, วมามสง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 หลวงพอนะ่อมาเข้าวมาหลายสิบปีเมื่อสักสามสิบปีก่อนหลวงพ่อสอนเพื่อนอยู่กลุ่มหนึ่งได้แค่สิบคนนะรู้สึกตัวเป็นยังไม่ทันจะได้มากคนเลยนะแค่รู้สึกตัวเป็นเวลาไปหานรูบาอาจารนยะ์นั้นเช่ารถตู้เลยเข้าไปในวัดบางกองค์นะที่จิต ท, ท่ า, านใยๆท่านหันมามองฟ้าเลยถ้ามันมารวมตัวกันได้เยอะขนาดนี้เลย แค่รู้สึกตัเป็นมีดเียวเองมีนเียแล้วค่อยๆค่อยๆดูรู้ไปตสีทียไป